ทีเตโหโตุขอความสวัสดีจงมีแก่น้องเนนที่น่ารักทุกรูปอาวันนี้พระอาจารย์มีธรรมะรับอารุณ์เป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้น้องเนนฟังมีคุณลุงอยู่คนหนึ่ง เป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาทุกๆวันคุณลุงคนนี้ตื่นแต่เช้าตรู่ตั้งแต่ตีสี่เหมือนพวกเราเนี่ยลูกพอตื่นมาแล้วคุณลุงก็จะสวดมนต์สั้นๆบทหนึ่ง ในหนึ่งวันแกจะสวดมนต์บทนี้ถึงสามพันจบต่อวันลูกสวดกี่จบทุกวันเนี่ยแค่พุทธังทำมังสังกังสารนังคาฉามิก็ลำบากแล้วใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้สวดกี่จบ สามพันจบต่อวันจนพันรายาเลิกกับแกไปแล้วหลายคนทำไมไม่มีเวลาให้พันรายาเลยตื่นเช้ามาสวดมนก่อ น, นอนสวดมนกินข้าวกลางวันเจ็ดสวดมนวันละสามพันจบ ทำอย่างนี้ลกูกทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดนะและแกก็มีความเชื่อมั่นว่าชีวิตนี้มันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะแกสวดมนต์วันละสามพันจบอยู่ต่อมาน้ําป่าไหลมาท่วมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านน้ําป่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก สูงแค่ข้อเท้าขึ้นมาถึงหัวเขา่าจากหัวเข่าขึ้นมาถึงบันเอวจากบันไดขั้นที่หนึ่งขึ้นมาขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่พรวดพราดท่วมชั้นที่หนึ่งรัฐบาลส่งเรือส่งรถจากกรมประชาสงเคราะห์เข้าไปช่วยขนชาวบ้านออกมา ชาวบ้านหนีน้าหมดแล้วรถของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งไปขนชาวบ้านก็ลุยน้ำมาถึงบ้านคุณลุงสามพันจบชวนคุณลุงขึ้นคุณลุงบอกว่าไม่ต้องห่วงลุงลุงมีเท พ, พเจ้าคุ้มครองพวกคุณไปช่วยคนอื่นเถอะ ไปบ้านหลังอื่นจังลุงไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ก็เลยมันไสเขาโ อ, อรถมาช่วยไม่ยอมขึ้นแกยังคงนั่งสวดมนต์อยู่หน้าบ้านน้ำก็เปิมเปิมเป็มเป ม, ปมจะถึงขั้นบันไดขั้นสุดท้ายแกยังสบายใจอยู่ข้าแต่เทพเจ้าข้าเชื่อว่าท่านรู้ ท่านต้องรู้แน่ว่าน้ำท่วมแต่ไม่เป็นปัญหาในการอาราขาของท่านข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นอะไรจริงไหมท่านแกคุยอย่างนั้นและแกก็ไม่ยอมขึ้นรถของกรมประชาสงเคราะห์นอนบ้านเร่ต่อไปแล้วดึกเด่นของคืนนั้นเองแกก็ต้องสะดุ้งตื่น เพราะน้ำท่วมขึ้นมาถึงที่นอนแล้วก็มี ง, งูไหลมาตามน้ำพยายามจะป่ายปีนขึ้นบ้านแกแกออกไปคุยกับ ง, งูแต่โกนผ่านหน้าต่างไปบ้านอื่นบ้านนี้เต็มแล้วง <c oughs> ูเหลือมันก็เลยลอยผ่านไปบ้านอื่น สักพักเจระเกะลอยผ่านมาทําท่าจะแวะนะแกบอกไม่เอาไปบ้านอื่นเคยเห็นไหมเวลาน้ําท่วมอะไรอะไรมันก็ลอยมาใช่ไหม <c oughs> ทีนี้เกตาลีก็เหลือตื่นขึ้นเอาโต๊ะมาต่อต่อต่อต่อต่อกันขึ้นนั่งบนโต๊ะน้ําท่วมบนบ้านละท่วมเตียงแล้วทีนี้แกทํำยังไงขึ้นนั่งบนโต๊ะ จัดการเปิดโหมดพิเศษติดต่อเทพเจ้าสวดมนต์จัดหนักเลยสามพันจบกว่าจะเสร็จเที่ยงวันพอดีน้าเลยขาโต๊ขึ้นมานะปิมปิมอยู่ข้างล่างแกสวดมนต์สามพันจบแล้วหลับตาเข้าเงียบในสมาธิแก ค, คุยกับเทพเจ้าข้าแต่เทพเจ้าข้าเชื่อ ว, ว่าท่านต้องรู้ด้วยยานอันพิเศษของท่าน เขเชื่อว่าท่านต้องทรงรู้ทรงเห็นและแน่นอนท่านต้องพิทักษ์ข้าพเจ้าใช่ไหมถามด้วยนะถามในความเงียบนะได้ยินเสียงตอบไหมแต่แกแกยิ้มแกเชื่อว่าระดับนั้นต้องรูนะ้ระดับนั้นของแกคือระดับไหนยังไม่รู้ใบกแก่วันนั้นกรมประชาสงเคราะห์ส่งเรือมา มีน์นายทหารเรือมาสำรวจคนที่ตกค้างในบ้านทหารเรือมาพรอมมาเคาะหน้าตา่างลุงอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาหนีกันหมดแล้วหู้พวกคุณนี่มันยุ่งกับชีวิตลุงจังเลยไม่ต้องหง่วงลุงมีของดีคุ้มครองไปเลยไปช่วยบ้านอื่นมันยุ่งจริงๆนายทหารทั้งหลายก็ มันใส่มันใส่คนแก่คนนี้เมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอไม่ยอมหนีอยากรู้นกักแกมมีดีอะไรทหารก็เลยกลับไปวันต่อมาน้ำท่วมเลยโต๊ะของแกชนเพดานบ้านแกเจาะเพดานหนีเลยทีนี้เจาะเพดานขึ้นไปอยู่บนหลังคา น, น, นั่งมองบนห้องฟ้า ติดต่อกับเทพเจ้าท่านรู้ใช่ไหม <c oughs> วันนั้นฟ้าหลวดเนยฝนกำลังพรัพร้มสัญญาณพระมัวนิดหน่อยสวดมนต์บนหลังคาเลยสามพันจบเนะสวดเสร็จก็คุยท่านรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้น้ำขึ้นถึงข้างบนแล้วะเมื่อไหร่ท่านจะช่วยเสทียคุยเสร็จหลับตาวันนั้งจัดหนักเพิ่อมอีก จากสา0พันจบเป็นกี่พันจบ 5, 5, 5, 6, สองเท่าเลยหกพัน <5, 000. S 1> พอสวดครั้งที่หกพันเสร็จปุ๊บตอนได้อย่างนั่งสวดอยู่บนหลังคานาะพอครั้งที่หกพันปุ๊บมันต้องยืนสวดอย่างนี้น้ำเลยขึ้นมาสักพักหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เขาก็ประกาศว่ามีชาวบ้านตกค้างทีนี้กองทัพบก กองทัพอากาศกองทัพบเรือส่วนที่กำลังกันใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจโปรตราผู้ตกข้าวแลวเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงเบื้องบนของบ้านหลังนั้นเห็นประธาชายในนั้นยืนคุยกับเทพเจ้าท่านรู้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตั้งบนตอบว่าไง <c oughs> ตั้งบนยังกง็เงียบอยู่ ข้าเชื่อว่าท่านรู้เพราะว่าท่านปกป้องคุ้มครองคนที่พักดีต่อท่านเสมอและวันนี้ข้าพเจ้าได้เพิ่มบทชวดมนบูชาท่านเป็นหกพันจบแต่เดี๋ยวสายๆหน่อยจะจัดหนังให้อี ก, กรอบเก้าพันจบค้าคิดว่าด้วยมนเหล่านี้จะทำให้สถานการณ์ลดลงอย่างรวดเร็ว จริงไหมท่านพอพูดเสร็จน้ำข <c broker age> ึ้นมาครึ <nicht viendo> ่งไหลมนเลยทหารมาถึงแต่โกลมลุงขึ้นมามองน่ะอย่าปยุเดี๋ยวจะสวดมนต์รอบที่สามก้าวันจกไปไหนก็ไปพวกเกมันโวนสมาธิฉันทหารกำลังจะโยนบันไดลิงลงมาเก็บเลยเพิไม่ต้องส่งให้มันเห้เลยเขาเติบบินวนกลับไป สถานการณ์เงียบละแกก็สวดบทสวดมนต์ต่อไปเพิ่มเป็นรอบที่สามกาด จ, จะเอาให้ถึงหกพันจบพระว่าถ้าหกพันจบในแกเชื่อหรือเกินว่ายังไงยังไงต้องได้เช็คแทนกับเทพเจ้าแน่นอนคิดดูพอแกสวดไปได้สักพักน้ำก็เลยไหลขึ้นมาเลยไหลขึ้นมาถึงคงังแกก็ยังสวดอยู่นะจนถึงคงังเลยขึ้นมาจนถึงริมฝีปากแกก็ยังสวดต่อบึม บ, ม บ, มบม เรียบร้อยพอหายไปสักพักน้าเลยคางขึ้นมาก็ยังมีเสียงปึมปมปมึมแล้วสุดท้ายก็เลยเต็มปึมปมปึมหายไปเลยเป็นยังไงตายนะส่ทีนี้พอแกตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายแกยังพูดขึ้นมาในจิตของแกข้าเชื่อว่าท่านต้องรู้พอตายปุ๊บ ปรากฏว่าจิตวิญญาณถูกดึงดูดไปสู่นรกรปุ๊บเดียวไปยืนอยู่หน้าคอเซ็นเตอร์นรกแล้วเขาก็เห็นเจ้าหน้าที่นรกบนหัวมีเขาด้วยแล้วคุณลุงก็รู้สึกตัววุบขึ้นมาที่นี่ที่ไหนเจ้าหน้าที่นรกก็บอก โอ้มาแล้วเหรอลงุงที่นี่เรามีความยินดีอยากแจรียนให้คุณลงุงทราบว่าคือคอร์เซนเตอร์นรกเชิญด้านใ น, นที่นี่นรกใช่ไหมใช่ลงุงใครใหญ่สุดใครเป็นซีโอในนรกลุงขอคุยด้วยหนะไปบอกพยายมว่าลุงสามพันจบมา <c oughs> ลุงสามพันจบ สตาฟของนรกเข้าไปหาพญายมท่านครับมีสัตว์นรกไม่ยอมรับการลงทันครับท่านจะขอต่อรองครับเข้าอะไรมาต่อรองก็บอกว่าเขาส่วนมนต์วันละสามพันจบครับตามหลักไม่น่าจะตายครับท่านพญายมก็ให้เขาเข้ามาท่านใดนั้นประตูก็เปิดออกแล้วพญายมก็ถามว่าเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงไม่ยอมรับการลงทันหรือใช่ ข้าขอถามท่านพระยายมคนดีอย่างข้าส่วนมนวันละสามพันจบมันตกนรกได้ยังไงพวกท่านเนี่ยทำงานกันยังไงพระยายมก็เลยบอกว่าลุงตั้งแต่ลุงยังไม่ตายระบบฐานข้อมูลในนรกเตือนทุกวันเราเช็คชื่อของลุงตัวแดงถึกคอมพิวเตอร์ทุกตัวรายงานตรงกันว่าตายแล้วก็ตกนรก ข้าไม่เชื่อมีใครได้ใหญ่กว่าท่านไหมถ้าอยากรู้ว่าทําไมคนที่ส่วนมนวรคสามพันจบต้องมาตกนรกหมอกไหมข้าไม่ยอมรับการลงทันพระยาโยมก็บอกลงลุงไม่ยอมรับการตกนรกใช่ไหมใช่อ่ะถ้างั้นเราจะให้ลงนะุงเนี่ยขึ้นไปสวรรค์ดูแล้วดูด้วว่าสวรรค์จะต้อนรับไหมลุงไปคุยเองแล้วกัน แล้วพระยาดยมก็กดปุ่มปิงคนลงหายไปเพิ่บเดียวไปเดินอยู่บนสวนดอกไม้สวยงามไม่มีทิ่ติมองไปสุดลูกหูลูกตาเห็นแต่น้ำตกเห็นแต่พูเขาเห็นแต่ทะเลสาบเห็นแต่คนสวยคนงามเทพพระบุตรเ ท, ทะพพธิดาเห็นนกโรกลินหอมกลุ่นๆของดอกไม้โชยมา โอ้ oh. แล้วคุณลุงก็ไปยืนอยู่หน้าคคร์เซ็นเตอร์ของสวรรค์ิแต่พระบทคนหนึ่งเทพธิดาคนหนึ่งใส่ชุดสีทรออกมาต้อนรับสีขาวโพลนผมก็ขาวทุกอย่างขาวหมดเลยพอคุณลุงไปยืนปุ๊บเทพประบุทักสโตทีเตโฮตุ ลุงแกบอกให้มันคุค้นๆนะและเทพธิดาก็ทักลุงลุงมาหาใครลุงอยากพบคนที่ใหญ่ที่สุดในสวรรค์พวกหนูๆไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ลุงจะต้องคุยกับนายของหนูโดยตรงสักพักหนึ่งพระอินทร์ก็ลอยมาในราชรถวิจิตรการตามเมออร่าคือรัศมี ขุดพร่องเพรียวพรายฟุง้งออกมารอบตัวและบนไดาทิพย์ก็เลื่อนมารับพระอินสเสด็จโนยนาตลงมาไหนใครอยากเจอค้ข้าเองอาลุงว่าไงเห็นมาวอยไวตั้งแต่นันรกอ่ะนะพญายมส่งเมเนี่เป็นไงข้ามีเรื่องต้องถามท่านคนอย่างข้าประกันนิดหนึ่งตายได้ยังไง ตายได้ยังไงท่านไม่รู้หรือค่าส่วนมนวันละสามพันจบแล้วสวรรค์ปล่อยให้ตายได้ยังไงพระอินทร์ก็หันไปมองเต้ประ บ, บทุทลายขาเช็คเลยเอามาผิดคนหรือเป่เช็คทุกระบบปรากฏว่าเออท่านครับหมอนี่ตายจริงครับไม่ผิดนะครับเอ้มันตายได้งไง ลุงบอกว่าลุงสวดมนต์ใช่ไหมใช่ข้าสวดวันละสามพันจบมายี่สิบปีแล้วแล้ววันสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิคเนะ่ยข่าสวดเก้าพันจบเทพประเบิดเทพธิดาก็รายงินเออท่านครับฐานข้อมูลทุกระบบรายงานตรงกันว่ายังไงหมอนี่ต้องตายครับเขาก็ได้ยินตกลงท่านยอมรับว่าข้าตายใช่ไหมพระอินทร์ก็บอกใช่นรกยืนยันสวรรค์ยืนยัน ตกหลงท่านสิ้นอายุละตายแต่ท่านครับคนสวดมนต์สามพันจบต่อวันอย่างข้าพเจ้าขอตายดีกว่านี้ได้ไหมครับท่านรู้ไหมข้าตายยังไงตายน้ําท่วมปากนะครับมันไม่ใช่ท่วมเท้านะท่วมขาท่วมไหล่ะมันตายน้ำท่วมปากเคยได้ยินคำว่าน้าท่วมปากไหมน้าท่วมปากสํานวนไทยคือมันพูดไม่ออกใช่ไหมแต่หมอเนี่ยน้ําท่วมปากมันจริงๆ เพราะมันกำลังสวดอยู่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> น้ำท่วมเ <c oughs> ขาตายแบบน่สมเพชมากมันมันไม่สางางามครับท่านเครื่องราชฆ่าก็ไม่ได้เนี่ยดูซิเนี่ยตายได้ออยังไงท่าต้องรับผิดชอบ <c oughs> พระอินทร์ก็บอกว่าข้ารับผิดชอบเจ้าเสมอเพราะว่าเจ้าสวดมนต์ท่านรับผิดชอบอยังไง ท่านจำได้ไหมวันแรกที่น้ำท่วมข้าสรงเทพพระบทเทพพริดาแปลงร่างเป็นเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์นำรถบรรทุกไปถึงบ้านท่านขอให้ท่านขึ้นรถท่านขึ้นไหมคนลงเพิ่งนึกได้โอ้นั่นคนของท่านเหรอครับเห <c oughs> มือนชักชักรู้สึกขึ้นมาแล้วนะตอนนี้โอ้ท่านไปช่วยผมเหรอครับั่น่ะพระอินทได้ดีใช่ เราให้เทพประบุเทพปฏิดาแปงร่างพระราชรถของข้าเนี่ยถูกเนรมิตให้เป็นรถยีเอ็มซของทหารแต่ท่านขึ้นไหมท่านไม่ขึ้นเองเทพประบุเขาก็รายงานขึ้นมาแบบเฟ t t i ม e ข้าก็ดูแต่ท่านไม่ขึ้นนั่นคือครั้งที่หนึ่งที่สวรรค์สิ้นเปลืองงบประมาณเ ป, ป, ป, ปล่าๆปลีกๆ แล้ววันที่สองการก็ช่วยท่านทีนี้มันอึง้งมันหล่อฟังข้าเช่าเรือไปนับร้อยลำกว่าต้อนคนที่ตกครังทั้งหมดแน่นอนอรวมทั้งท่านด้วยแต่ท่านขึ้นเรือไหมมันทมเรือก็คนของท่านนะครับโอ้ตอนนั้นข้าสวดมดอ์ู่อะ พระอินทร์จัดหนักต่อไปแล้ววันที่สามสวรรค์นสนธิกำลังกับนรกเราเช่าเฮลิคอปเตอร์ชั่มงและแสนเหรียญเพื่อไปรับท่านโดยตรงแล้วเรายังให้เลขานุกการเอกของเราเป็นคนขับหอวันนั้นโยนบันไดทองคำลงไปรับท่านซึ่งสวดมนต์วันละสามพันชกแต่แทนที่ท่านจะขึ้นเห็นเจ้าหน้าที่รายงานมาว่าท่านตะโกนด่าบกเวกใช่ เจน้าที่ก็เลยอารมณ์เสียบินกลับข้ายังรู้สึกเสียดายงบประมาณเนี่ยเท่าเฮลิคอปเตอร์ศั ก, กยภาพสูงสุดไปช่วยท่านตเตรียมเบาะนุ่มๆอย่างดีพอท่านขึ้นมามีวอดก้าเสิร์ฟแต่ท่านหาสนใจไม่และท่านจะให้เราทำยังไงเราช่วยท่านแล้วเจ้าหมอนนเอิง อ๋อตกลงฮอทหารนั่นก็ของท่านเหลยครับทีนี้มันตาค้างอ่าปากค้างใช่ข้าช่วยเจ้ามาโดยตลอดแต่เจ้าช่วยตัวเองไหมไม่นี่ครับและนั่นคือเหตุผลที่เจ้าถึงต้องตายไงสวรรค์รำคาญ <c oughs> รำคาญคนที่สวรรค์ช่วยแล้วแต่เขาไม่ยอมช่วยตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่เจ้าต้องตายจะยอมรับไหมว่าเจ้าตายแล้วเออท่านครับแล้วแล้วแล้วสามพันจบของผมอะครับข้ารู้และข้าช่วยเจ้าแล้วไงแต่เจ้าไม่ช่วยตัวเองอะแล้วจะให้ข้าทอยังไงเออครับ ครับท่านครับตอนนี้ผมผมทราบข้อมูลแล้วครับและจากนี้ชีวิตผมจะยังไงต่อครับก็มาทั้งไหนกอดไปทั้งนั้นหันไปข้างหลังเจวหน้าที่นรกเขา ง, งงยิม้มเ <c oughs> <c oughs> ชิญครับลุงมาทั้งไหนรับไปทั้งนั้นครับครับลุงครับกระทะทองแดงร้อนได้ที่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายลุงก็วุบ หายไปต้องฝึกงานอยู่ในนรกจนกระทั่งทุกวันนี้ลงเ น, นทุกโรคพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นถ้าโลกไม่รู้จักการพึ่งตัวเองต่อให้เมเทาพระเจ้านับแสนนับล้านล้านล้า น, ล, านล้านองค์ท่านช่วยได้ไหมท่านก็ช่วยไม่ได้แ ล, ล้วลกฉะนั้นให้โลกจำไว้ อัตตาหิอัตโนนาโถแปลสิตนเป็นที่พึ่งของตอนเอาละเรื่องนี้สอนให้คิดว่าไร่โลกสอนให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองกล่าวโดยสรุปเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักคิด ว่าการสวดมนต์อย่างเดียวเพียงพอไม่ลูกไม่เพียงพอต้องลงมือทำด้วยปฏิบัติด้วยฉะนั้นที่นี่เราให้ลูกๆสวดมนต์พอไหมไม่พอลูกเราให้ลูกได้เรียนธรรมะด้วยเรียนธรรมะอย่างเดียวพอไหมเราให้ลูกได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิด้วยจงกรมและนั่งสมาธิอย่างเดียวพอไหมลูกไม่พอเราให้ลูกได้บิดขบาตรได้ชันในบาตรด้วย เราให้ลูกได้นอนในกรดด้วยมันต้องฝึกฝึกฝึกชีวิตถึงจะมีที่พึ่งที่แท้จริงเอาละชาววันนี้พระอาจารย์ก็ฝากลูกพระลูกเนรไว้แต่เพียงเท่านี้เรื่องนี้สอนให้คิดอะไรได้หลายเรื่องพระอาจารย์จะยังไม่สรุปขอลูกพระลูกเนนเอาไปคิดต่อทุกครั้งที่สวดมนต์อย่าจบอยู่แค่การสวด ลูกต้องใช้ปัญญาให้มากกว่านั้นถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้สำหรับเช้าวันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาขอให้ลูกหลานลูกเนทุกโูคเบิกบานกับการเรียนรู้ธรรมะโดยทั่วนากันภพภูกุกทุกปวง